ไปแสดงธรรมที่ยุทธพุธิกะสมาคมแสดงธรรมเสร็จก็มีคนส่งคำถามขึ้นมามีคนหนึ่งถามว่าตอนนี้นะเข า, เาไม่ได้หรือไม่มีสา ม, มีแล้วนะทั้ง พ่อแล้วก็สามีก็เสียชีวิตไปแล้วอยู่คนเดียวรู้สึกเหงารู้สึกว่าวุ่นใจจะทำอย่างไรดีคิดว่าคนที่มีปัญหาแบบนี้นะทุกวันนี้มีมากทีเดียวความรู้สึกเหงาเนี่ยชาวบ้านไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเพราะว่าเขามี หมู่มิดมีเครือข่ายในหมู่บ้านแต่ว่าคนในเมืองเดีนะ๋ยวนี้ก็อยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่นะถ้ามีครอบครัวนะก็ก็แล้วไปนะแต่ว่าถ้าเกิดคนในครอบครัวลมหายตายจากไป ก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวจริงๆอยู่คนเดียวนี่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเหงาเสมอไปนะแต่ก็อย่างที่คนโบราณว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดนะความเหงาเนี่ยนะมันก็เกิดจากความคิดนั่นแหละนะก็คือพออยู่คนเดียวไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับใคร ใจมันก็คิดไปต่างๆนาน า, นาและใจที่คิดไปต่างๆนาน า, น า, นาเนี่ยนะมันก็ทําให้ว้าวุ่นสารถึงจุดหนึ่งก็จะรู้สึกเหงาขึ้นมาทจริงคนเราเนี่ยถึงแม้ว่าจ ะ, ะเสียพ่อเสียแม่ไปหรือว่าเสียสามีหรือว่าไม่มีแฟนเนี่ย มันกไ็ไม่ต้องเหงาก็ได้นะถ้ามีเพื่อนมีเพื่อนมีหมู่มิตรนะผู้ชายเนี่ยนะจะไม่ค่อยมีปัญหานี้เท่าไหร่เพราะว่าถึงแม้อยู่คนเดียวนะแต่ว่าเขามีหมู่มิตรนะจะเป็นเพื่อนเล่นเพื่อนกินหรือเพื่อนเที่ยวก็แล้วแต่แต่ว่าคนสมัยนี้ถึงแม มีเพื่อนนะแต่ว่าถ้ามันฉาบเฉวยเนี่ยพอกลับมาอยู่บ้านคนเดียวก็อาจจะเหงาได้อันนี้เป็นมากนะสรารบคนสมัยใหม่โดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ทำให้ facebook นี่นะเป็นที่นิยมมากนะเพราะว่าผู้คนรู้สึกเหงารู้สึกว่าเวรู้สึกโดดเดี่ยว ธรรมชาติคำนุ่นนี้ก็ยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหลายคนก็ไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะเพราะว่าอยากจะรักษาความเป็นส่วนตัวบางอย่างเอาไว้นะจะมีคู่ก็มีคู่แบบไม่ใชอ่อยู่ด้วยกันนะอาจจะมาพบปะ ก, กันเป็นครั้งคราวแต่ว่า ก็ยังอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยนะใช้เฟซบุ o กนี่เป็นสื่อนะเป็นสื่อในการพบปะเป็นสื่อในการหาเพื่อนเป็นสื่อในการที่จะแสดงออกนะตัวตนหรือประกาศตัวตนปฏิเสธไม่ได้นะว่าคนเราเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่อยากจะมีความสัมพันธ์กับผู้คน ก็เพื่อว่าเราจะได้แสดงตัวตนหรือประกาศตัวตนหรือว่ามีคนอื่นมาช่วยพนออัตตาของเราหลายคนที่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้เนี่ยเพราะว่าต้องการคนที่จะมาพนออัตตาพนอ ต, ตัวตนนะหลายคนอยากมีแฟนนะวัยรุ่นหลายคนเนี่ยถ้าไม่มีแฟนแล้วก็จะรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่าง ถึงแม้ว่ามีพ่อมีแม่หรือว่าอยู่กับพ่อแม่แต่ก็ยังเหงาความเหงาส่วนหนึ่งก็เพราะว่าต้องการคนมาพนาองอัตตานะเพราะว่าถ้ามีแฟนแล้วเนี่ยแฟนก็จะทำตามใจเราหรือว่าเขาก็จะแสดงความรักต่อเราความรู้สึกว่าเรามีคนรักก็ทำให้เราสว่าเราเป็นคนสำคัญถ้า ไม่มีคู่รักไม่มีแฟนก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่อยู่ในสายตาของใครความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสำคัญเนี่ยมันก็จะเด่นชัดขึ้นแลวคนก็เป็นอย่างนี้มากนะก็คือว่าต้องการต้องการสิ่งที่จะมายืนยันหรือว่ามามาชี้สนับสนุนให้ตัวเองรู้สึกเป็นคนสำคัญ บางครั้งเนี่ยการที่ไปหาของแพงๆมาเช่นสินค้าแบรนด์เนมนะราคาแพงราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านาฬิกาหรือว่ารถยนต์เนี่ยนะก็เพื่อมาทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสำคัญหรือทำให้คนอื่นเนี่ยเขามองว่าเราเป็นคนสำคัญนะเพราะว่าถ้าเราขับรถธรรมดาเนี่ยแม้แต่ยามก็ไม่สนใจ มีหมอคนนึงเขาเล่าเนี่ยอิชายภูมินี่แหละเวลาขับรถธรรมดาเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยยามก็เฉยๆนะแต่พอเขาขับรถเบนเข้าไปยามนี่นะแสดงทําความเคารพทันทีเลยไอ้ปฏิกิริยาแบบนี้แหละที่ทําให้คนเราเรารู้สึกว่ามันอยากจะมีของพวกนี้แหละสินค้าแบรนด์เนมเพราะว่าพอมีแล้วนะคนเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญนะเขาจะรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนธรรมดา การสาการของเขาเนี่ยมาทำให้เราสึกว่ากลื่มนะอันนี้ก็ เ, เป็นการผนองอัตราแบบหนึ่งและขณะเ ด, ดยียวกันการที่ถ้าเกิดไม่มีของนะไม่มีของราคาแพงใช้ไม่มีสินค้าแบรนด์เนมก็อาจจะอาศัยการมีความสัมพันธ์กับผู้คนผู้อื่นนะเพราะว่าความสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยมันก็มีส่วนในการผนออัตรายิ่งถ้าเรามีมีเพื่อนเยอะ คนที่มีเพื่อนเยอะเขาเจดสือเขาเป็นคนสําคัญแต่ถ้ามีเพื่อนน้อยเขาเจดสือว่าเขาไม่ค่อยเป็นคนสําคัญทําไมฉันไม่ค่อยมีเพื่อนเลยนะนั้นหลายคนเนี่ยหาเพื่อนเพื่อเอาเพื่อนเนี่ยมามาพนนอัตตามาสร้างความสําคัญให้กับตัวเองถ้าไม่มีเพื่อนเลยทําไงนะก็เลี้ยงหมาไงเลี้ยงหมาเลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงนะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงนี่มันก็ มีส่วนช่วยในการที่ทําให้รูกศิษย์เราเป็นคนสําคัญนะบางคนมีมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะคิดว่าเพราะมีเพื่อนเลี้ยงสัตว์ก็เพื่อจะได้มีเพื่อนแต่ก็ไม่แน่ว่าต้องการเพื่อนหรือพวกกันแน่นะคนส่วนใหญ่นี่ไม่ได้ต้องการเพื่อนนะต้องการพวกนะมีคนเป็นพวกนะมีบริษัทบริวารก็ทําให้รู้สึกว่าเออเราเก่งเราสําคัญ หลายคนก็ต้องนะหาพวกด้วยการเอาเอาเงินมาหวานนะเอาเงินมาหวานเอาเงินมาจากไหนนะนะเงินนี้ก็ก็ จ, จะมาด้วยการเล่นพนันบ้างละหรือว่าบางทีก็ไปขโมยเข้ามาไปโกงเข้ามาแล้วเอามาหวานจะได้มีพวกนะถ้ามีคนเป็นพวกไม่ได้ก็เอาสัตว์เป็นพวกนะให้ลองดูดีๆนะที่เรา อยากจะได้เพื่อนเนี่ยนะหรือสแสวงหาเพื่อนเนี่ยจริงๆเราต้องการเพื่อนหรือเราต้องการพวกกันแน่นะและนี่ก็เป็นเป็นปัญหาคนสมัยนี้นะในความต้องการพวกเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันก็ต้องการม า, จากจนทั้งพวกยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะการไปวัดไปวานะหลายคนไปวัดเนี่ยนะ ก็เพราะว่าต้องการเพื่อนแล้วก็เพอเอต้องการพวกด้วยวัดหลายวัดนี่ก็ตอบสนองความต้องการอย่างนี้นะของคนในเมืองเพราะว่าคนชั้นกลางเนี่ยเขาเขาเหงานะแล้วก็หลายคนพบว่าเออถ้าไปวัดแล้วเนี่ยมันมีเพื่อนมีพวกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้กันในหมู่คนที่ศึกษาบทบาทของวัด หรือว่าศาสนาในสังคมสมัยใหม่นะเขาเพบว่าไม่ว่าเป็นศาสนาคริสต์ศาสนา i ส l ศาสนาพุทธเนี่ยวัดเนี่ยหรือว่าจะโบทหรือว่ า, ามัสยิดก็ตามเนี่ยนะหลายแห่งเนี่ยมีคนนะมามากมายก็เพราะว่าคนต้องการมาหาเพื่อนเขารู้สึกว่าเขาต้องการชุมชนนะอันนี้พูดแบบ วิชาการนะต้องการชุมชนสังกัดนะวัดนิมก็สามารถจะเป็นชุมชนให้เขาได้มาสังกัดได้นะมีบางวัดที่มีคนขึ้นเนี่ยเป็นแสนนะหรือเป็นล้านเลยนะเพราะว่ามันตอบสนองความต้องการอย่างเนีองคนของคนเมืองจึงรู้สึกเหงานะเหงาแล้วก็เลยต้องมาหาห า, หาเพื่อนหาพวกหาชุมชน เพื่อจะได้คลายความเหงาที่จริงคนเราเนี่ยถ้าหากว่ า, ามีฉันทะในการทำอะไรสักอย่างนะให้ความเหงาก็เกิดขึ้นน้อยนะเช่นคนที่รักการอ่านเนี่ยคนที่รักการอ่านเนี่ยก็จะรู้สึกว่านังสือเป็นเพื่อนเขาก็าจะไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่อยู่คนเดียวก็มีหนังสืออ่านนะ ถึงเพื่อว่านังสือเนี่ยคือเพื่อนคู่คิดนะเราเคยได้ยินสำนวนเนี่ยเพื่อนคู่คิดนะคนไทยเนี่ยไม่เขาชอบอ่านหนังสือนะคนไทยเราเน้นการพูดการคุยนะเราก็เลยต้องการเพื่อนที่เป็นคนมากนะพอไม่มีเพื่อนหรือว่าไม่มีคนในครอบครัวก็จะเหงานะแต่ถ้าคนเราเนี่ยนะรู้จักนะมีหนังสือเป็นเพื่อน มันก็จะไม่ค่อยเงาเท่าไหร่จะก็มีปัญหาอีกแบบนึงนะก็คือว่าทําให้ติดหนังสือนะพอไม่มีหนังสือเข้าก็กระสับกระส่ายนะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันโดยเพราะถ้าเราไปพึ่งพาสิ่งภายนอกมากบางคนก็ไม่มีหนังสือเป็นเพื่อนแต่ว่ามีงานมีการมีงานดีเลกเช่นชอบปลูกต้นไม้นะชอบปลูกต้นไม้ชอบอประดิษฐ์ประดอย คนที่ชอบประดิ์ประดอยเนี่ยมีชันทะนะในการทอผ้าในการสารกระบุงตะกร้านะหรือว่าจัดดอกไม้เขาก็จะไม่รู้สึกเหงานะเขาก็จะสว่าเขามีเพื่อนเหมือนกันนะแต่ว่าคนไทยก็เองนั้นแหละนะชันทะเนี่ยในการทำสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยมีเพราะเดี๋ยวนี้เราในเรื่องการายเสดมากกฝ่ายทำนะถ้าฝายทำเนี่ยนะ เราจะรู้สึกว่าความเหงานี่ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะเพราะว่าเรามีอะไรให้ทำการที่มีอะไรให้ทำเนี่ยมันก็มีผลต่อจิตใจในแง่ที่ว่าจิตมันไม่ฟุ้งซ่าน่ะนะเพราะว่าจิตมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ทำยิ่งถ้าทำด้วยฉันทะก็เกิดความชอบนะไม่ว่าสิ่งที่ทำนั้นคืออ่านหนังสือจัดดอกไม้นะ หรือว่าถักโครเชตนะ์จิตที่มีสมาธินะมันจะไม่รู้จักคำว่าเหงานะแต่ว่าคนสมัยนี้เนี่ยนะก็ไม่ค่อยจะมีสมาธิกับอะไรง่ายๆนะหรือว่าถ้าจะมีสมาธิก็เป็นสมาธิเรื่องการเสพนะเช่นฟังเพลงนะดูหนังหรือไม่ก็ไปช้อปปิง้งนะแต่มันก็สร้างปัญหาอีกแบบนขึ้นมา ก็คือว่าพอไม่มีสิ่งเสพเนี่ยก็จะจิตใจก็จะว้าวุ่นนะไม่มีที่เกาะนะเสร็จแล้วจิตที่ว้าวุ่นเนี่ยมันก็กลับมาเล่นงานตัวเองนะกลับมาเล่นงานตัวเองก็คือทําให้รู้สึกว้าวุ่นฟุ้งซ่านนอนไม่หลับแล้วก็เหงานะนนสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาลงที่ความคิดนั่นแหละหรือกลับมาลงที่จิตใจนะความเหงางผู้คน จริงแล้วเนี่ยก็อันนี้ไม่ได้ตอบเข้าไปนะแต่ที่ตอบเข้าไปคือว่าคนเราเนี่ยนะถ้าหากว่ารู้จักอยู่กับตัวเองนะมันไม่มีคําว่าเหงาแต่คนทั้งวันนี้เนี่ยไม่รู้จักอยู่กับตัวเองและที่จริงเนี่ยหนีตัวเองตลอดเวลาสิ่งที่ทํามาทั้งวันเนี่ยคือการหนีตัวเองนะหนีโดยการไปอยู่กับงานกับการบ้างละ่ะหนีไป หนีด้วยการไปช้อปปิง้งไปเที่ยวห้างบ้างละนะหรือว่าไปคลุกคลีกับเพื่อนไปเที่ยวผับทเที่ยวบาร์นี่ก็หนีตัวเองแม้แต่การเล่น facebook การเล่นไลน์ก็เป็นการหนีตัวเองอีกแบบหนึง่งนะแล้วคนี้พอไม่มีอะไรจะให้หนีเนะี่ยพอไม่มีอะไรจะให้ทําเนี่ยหรือพอไม่มีช่องทางที่จะหนีเนี่ยนะก็จะรู้สึกเคว้งรู้สึกว่าวุ่นรู้สึกเหงาแล้วเนี่ย อันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะของคนในยุค ป, ปัจจุบันนะไม่สามารถจะอยู่กับตัวเองได้นะทนอยู่กับตัวเองไม่ได้นะัถ้าพูดให้แรงกวนะั้คือทนอยู่กับตัวเองไม่ได้นะี่ไม่ว่าจะมีเพื่อนนะมีหมู่มิตรอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยเปราะ บ, บางเพราะว่าขนาดตัวเองเนี่ยนะยังอยู่กับตัวเองไม่ได้ หรือว่าไม่สามารถจะเป็นมิกกตัวเองได้อย่างแท้จริงเนี่ยแล้วมันจะเป็นมิกกคนอื่นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดแบบฟันธงก็คือว่าที่เหงาเ น, นี่เพราะว่าไม่เป็นมิกรกตัวเองนะไม่เป็นมิกกตัวเองไม่รู้ว่าจะเป็นมิกกตัวเองได้อย่างไรนะทุกคนเนี่ยก็พูดว่าฉันรักตัวเองรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยแต่เคยตั้งคาถามไหมว่า แล้วทำไมเราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ทำไมเวลาอยู่กับตัวเองนี่มันทุกข์เหลือเกินมันก็มันกระสับกระสายร ะ, ระสำมระสายนะถ้าอยู่กับตัวเองเนี่ยอยู่ไม่ค่อยได้นะยิ่งสมัยนี้ถ้าไม่มีโทรทัศน์ไม่มีไม่มีโทรศัพท์มือถือนี่โอ้ไอการอยู่กับตัวเองนี่กลายเป็นเรื่องที่ทรมารมันก็ตกนรกเลยทีเดียวอัที่คนสมัยนี้ต้องมีโทรศัพท์ นะเหมือนกับอวัยวะที่32เนี่ยนะมันก็มีร่างเงามาจากการที่ไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้อาศัยโทรศัพท์มือถือนี่แหละเนี่ยเป็นช่องทางในการหนีตัวเองนะแต่ก่อนนี่จะหนีตัวเองได้ก็ต้องนะต้องเดินไปห้างนะต้องนั่งรถไปหาเพื่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องละอยู่บ้านก็กดนะกดโทรศัพท์นะนะคุย หรือไม่ก็ส่งข้อความโต้ตอบกันแบโต้ตอบกันมาคนเดี๋ยวนี้ส่งข้อความกันวันหนึ่งนี่เป็นร้อยๆเลยนะในใจที่มันไปอยู่กับไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันทําให้ลืมตัวเองชั่วคราวลืมตัวเองชั่วคราวแต่พอกลับมาอยู่กับตัวเองเนี่ยก็รู้สึกเป็นทุกข์เพราะว่าใจที่ว้าวุ่นมันทําให้เหมือนกับว่าทะเลาะทะเลาะกันเองนะทะเลาะกันเองทะเลาะกับตัวเอง อยู่คนเดียวเมื่อไรเนี่ยมันจะทะเลาะกับตัวเองนะทำให้เกิดอาการกระสับกระส่ายละส่มระสายขึ้นมางั้นะถ้าเราไม่รู้จักอยู่กับตัวเองนี่มันแย่นะเพราะว่าถึงแม้เราจะมีเพื่อนมากมายแค่ไหนเนี่ยนะมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่เราต้องอยู่กับตัวเองนะเวลาที่เรากลับมาบ้านเวลาที่เรามานอนนะ และที่จริงแล้วเนี่ยนะคนเราเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะเราก็มาอยู่ในโลกนี้เราก็มาคนเดียวถึงเวลาตายเราก็ตายคนเดียวนะและเวลาเราทุกข์เราก็ทุกข์คนเดียวนะเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยนะถึงแม้เราจะมีเพื่อนนะมามาให้กำลังใจเรา แต่ก็เพื่อนเขาก็ไม่สามารถจะแบกรับความทุกข์หรือว่าเข้าถึงความทุกข์ของเราได้ก <insecurity> ็ไม่สามารถจะเข้าใจความทุกข์ของเราเมื่อวานนี้ก็หลังจากที่ไปบรรยายก็ไปเยี่ยมนะโยมคนนึงนะซึ่งเป็นหลานของเพื่อนแกเป็นมะเร็งแล้วก็อยู่ในระยะสุดท้ายแล้วก็อาการก็หนักนะแต่ว่ามา มาเยียวยาที่ที่บ้านเพราะว่าโรงพยาบาลบอกว่ารักษาไม่ได้แ ล, แล้วแกก็คงมีความทุกข์ทรมานมากนะจากความเจ็บป่วยเจ็บปวดพูดไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่ามีบางช่วงที่เธอพูดออกมาเนี่ยทำนองว่าสามีเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเธอความไม่เข้าใจอันหนึ่งคือไม่เข้าใจความทุกข์ของเธอ ไม่เข้าใจว่าเธอเนี่ยเจ็บปวดทรมานแค่ไหนอันนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นกับเฉพา ะ, ะคนไข่คนนี้นะทุกคนแหละเวลาทุกเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่าความทุกของเรามันใหญ่มากแล้วเราจะรู้สึกว่าคนอื่นนี่ไม่เข้าใจความทุกของเราแม้จะเป็นคนใกล้ชิดแค่ไหนเขก็ไม่เข้าใจเราอันนี้เรียกว่าป่วยเนี่ยถือแม้เวลาป่วยเนี่ย คนมาห้อมร้อมแค่ไหนแล้วก็ต้องป่วยคนเดียวแล้วก็ต้องทุกคนเดียวไม่ต้องพูดถึงว่าเวลาตายแล้วก็ตายคนเดียวฉะนั้นถ้าถ้าตอนนี้ค่ะที่เรายังสุขสบายดีอยู่เนี่ยเรายังไม่รู้จักนะหาทางอยู่กับตัวเองให้เป็นนะแล้วถึงตอนเ ว, เวลาที่เราป่วยเนี่ยตอนที่เวลาเราประสบความทุกข์ประสบกับความพัดพรากสูญเสียเนี่ยแล้วเราจะอยู่อย่างไรเพราะในยามนั้นเนี่ย มิี่ดีสุก็คือตัวเราในยามที่มีความทุกข์ยากที่เจ็บปวดเนี่ยมันไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากใจของเราใจที่ไม่ซ้ําเติมเรานะไม่ใช่ความเจ็บปวดทางกายเท่านั้นนะเจ็บปวดทางใจด้วยเวลาประสบความล้มเหลวถูกคนตราหน้ายามยันนะหรือว่าเวลาตกงานเวลาที่ สูญเสียคนรักนะอันนี้เป็นเรื่องความทุกข์ใจทั้งนั้นในยามนั้นเนี่ยก็มีแต่ใจเราเท่านั้นแหละที่จะช่วยเราได้แต่ว่าใจเราบ่อยครั้งเนี่ยมันกลับซ้ำเติมเรานะก็คือไปไปเอาความทุกข์เอาความโกรธเอาความเศร้าต่างๆเนี่ยมาทับถมเล่นงานจิตใจแทนที่จะปล่อยแทนที่จะวางนะ เพื่อที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็กลับไปแบกเอาความทุกข์เอาไวนะ้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมมาสักทีรวมทั้งเวลาเจ็บปวดเนี่ยนะกายมันเจ็บปวดเนี่ยแทนที่ใจเนี่ยมันจะแค่เฝ้าดูเฉยเฉยมันไม่นะมันกลับไปเอาความปวดของกายมาเป็นความปวดของกูนะ จนรู้สึกว่าปูปวดปูปวดแทนที่จะลืมความปวดนะใจในแทนที่จะหานร้ายความปวดของกายนะมันกลับไปจดจ้องมันกลับไปเอาความปวดของกายมาเป็นความปวดของใจด้วยสังเกตมไหมเวลาเราปวดเนี่ยนะปวดเมื่อยนะที่มือที่เท้าที่ขาก็ตามเนี่ยถ้าใจเราลืมปวดนะใจมาสนใจมาจดจ่อยที่ลมหายใจนะมันก็จะลืมปวดนะกายปวดไปแต่ใจไม่รับรู้ แต่มันไม่อย่างงั้นนะใจนี่มันเข้าไปจดจ้องไปจ้องไปเพ่งไปปักเตืองอยู่ความปวดนะก็เลยแปลว่าปวดทั้งกายปวดทั้งใจมีนําซ้ำนี่อย่าไปไปคิดถึงเรื่องความตายบ้างละไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ไม่ดีบ้างละคิดน้อยอกน้อยใจนะมันไปขุดคุยความทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยมาเล่นงานจิตใจ อันนี้เป็นพ่ออะไรนะเพราะว่าเราไม่รู้จักนะทําใจให้เป็นมนะิตรเพราะเราไม่เคยฝึกเลยนะผู้ จ, จ่าตรัจว่าเนี่ยคนผ่านปัญญาสามเนี่ยย่อมทํากับตัวเองเหมือนศัตรูนะทำกับตัวเองเหมือนขัดศนะัตรูเนี่ยอย่างย่างยากก็คือว่ากินเหล้าสูบบุหรี่หรือว่า ยาเสพติดนะไอ้พวกนี้มันทำร้ายร่างกายของเราแล้วก็ทำร้ายชีวิตของเราด้วยแต่น้ามันหยาบนะยังมีละเอียดกว่านั้นนะเช่นการไปเอานะการผิดศีลนะการผิดศีลนี่ก็ยังหยาบอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เป็นการทำร้ายตัวเองเพราะว่าเมื่อเมื่อผิดศีลแล้วเนี่ยก็คือการนะสร้างวิบากให้กับตัวเองวิบากรอรออยู่ข้างหน้าแล้วนะมันรอที่จะ ซ้ำเติมเราแต่ถึงไม่ผิดศีลถึงแม้ไม่เสพสุร่ายาเมาหรือยาเสพติดนะแต่ว่าไอการที่วางจิตวางใจไม่เป็นนี่แหละจิตนี่แหละมันก็จะไปหาความทุกมาซ้ำเติมเรานะแม้แต่อยู่เฉยๆอยู่สบายๆมีกินมีใช้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะมีปัจจัยสีมีที่หลับที่นอนก็ยังกระสับกระส่าย เพียงเพราะว่าเหงาเพียงเพราะว่าไม่มีเพื่อนที่จริงน่าจะมีความสุขนะเออเราโชคดีนะเรามีกินมีใช้เราไม่เจ็บไม่ป่วยนะแทนที่จะมองแบบนี้กลับไปมองหากลับไปเอาปัญหาเนี่ยมาเล่นงานฉันไม่มีเพื่อนเลยฉันไม่มีใครมาพนออัตราฉันเลยนะ แทนที่จะชื่นชมสิ่งที่มีกลับไปมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีนะอันนี้เรียกว่าเป็นการซ้ําเติมตัวเองนะทํากับตัวเองเหมือนศัต ร, ตรูแล้พออยู่คนเดียวไม่ได้ก็เป็นไงก็เกิดอาการซึมเศร้าหรือบางคนก็รู้สึกว่าฉันนี่ไม่ไรค่าแล้วนะที่จริงเขาน่าจะมองอีกในแง่นี้ว่าเอออยู่คนเดียวก็ดีเหมือนกันเพราะว่า เห็นหลายคนนะมีคนอยู่ด้วยกันมากมายนี่ก็ทะเลาะ ก, กันมีพ่อก็ทะเลาะ ก, กับพ่อมีแม่ก็ทะเลาะ ก, กับแม่มีแฟนก็ทะเลาะ ก, กับแฟนนะเออไม่มีก็ดีเหมือนกันนะนะอันนี้ถ้ามองแบบนี้เนี่ยก็ทําให้ไม่รู้สึกเหงาในทเสือว่าเออฉันก็โชคดีนะอันนี้คือโอกาสที่ฉันจะได้เลือกที่จะอยู่กับตัวเอง คนเราเนี่ยถ้าหากว่าละเลยโอกาสในการที่จะอยู่กับตัวเองให้เป็นนะอันนี้ถือว่ า, าประมาททีเดียวเพราะว่าการอยู่กับตัวให้เป็นเนี่ยหรือว่าการเป็นมิตรกับตัวเนี่ยมันสาคัญมากในการที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยหลุดจากความทุกข์ได้ในเวลาที่เราเจอความ ผ, ล ผ, ลผลลันผวนปนเปนในชีวิตเจออุปสรรคหรือว่าเจอวิกฤต มิตรที่ดีที่สุดนะที่จะช่วยเราได้คือตัวเรานะคือใจนะที่ที่พร้อมนะจะสลัดพร้อมที่จะวางความทุกข์ทั้งหลายออกไปหรือถึงแม้จะไม่สามารถจะสลัดจะวางความทุกข์ที่มีเฉพาะหน้าได้แต่ก็จะไม่เพิ่มความทุกข์ใจเข้าไปไม่ซ้ําเติมตัวเอง เช่นเวลาเสียเงินเนี่ยหรือว่าถุงโกงนะก็จะเสียแต่เงินนะแต่ว่าใจไม่เสียปล่อยวางได้เมื่อใจไม่เสียก็กินได้นอนหลับนะแต่ถ้าปล่อยใจให้เสียแล้วนะเสียใจกลัดกลุ้มใจแล้วก็จะเสียสุขภาพกินไม่ได้นอนไม่หลับเสร็จแล้วก็จะเสียงานทำการทำงานไม่ได้ไม่ใช่เพราะป่วยนะบางทีบางคนก็ไม่ป่วยหรอกแต่ว่ามันไม่มีสมาธิทางาน เอาแต่กลุ้มใจนะเงินถูกโกงไปเสียงานแล้วพหงุดหหิดนะอารมณ์ไม่ดีเพื่อนมาคุยมาหยอกก็โกรธเพื่อนบางทีด่าเพื่อนทางเฟซบุ๊กนะทั้งที่เพื่อนแค่หยอกให้ล้อนะหรือว่าอ่าต่อว่าเขาต่อหน้านะก็เสียเพื่อนไปหรือทำในสิ่งที่ไม่ส ม, สมควรนะก็เสียสัมพันธภาพนะอันนี้เราซ้าเติมตัวเอง เพราะว่าเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคหรือว่าเจอวิกฤตเนี่ยไอ้ใจเนี่ยนะมันมันไม่ได้ช่วยเลยนะมันไม่ได้ช่วยเรามันกลับซ้ําเติมเราแต่ถ้าใจเราฝึกเอาไว้ดีนะถึงเวลาที่เกิดวิกฤตเจออุปสรรคเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยนะมันจะช่วยทําให้เราสามารถจะมีความสุขได้นะเช่นมองว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะคือมองแนี่บวก นะพอมองแย่บวกเขาเออตกงานก็ดีเหมือนกันนะก็จะได้มีเวลาไปดูแลพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะอันนี้ก็ต้องอาศัยใจนะใจที่มองรู้จักมองบวกหรือว่าใจที่ยอมรับธรรมดาว่ามองก็เป็นธรรมดานะเจ็บป่วยนะี่ก็ธรรมดาไม่มีใครที่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะแต่ว่าฉันจะจำกัดปัญหาให้มันแค่เป็นป่วยกายนะแต่ว่าใจไม่ป่วย คนเราเวลาทุกกันนะอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นมากนักนะถึงแม้จะมีเพื่อนมีหมู่มิตรมากมายเนี่ยเขาก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะคจะช่วยได้ในเรื่องเงินทองในเรื่องยาอยู่ย า, ยยาเรื่องที่พักแล้วก็คำคำพูดที่ไพเราะปิยะวาจาแต่ว่าจะหมดทุกหรือไม่อยู่ที่ใจของเรา และถ้าเราไม่สามารถจะฝึกใจให้เป็นมิตรกับตัวเราได้เนี่ยนะนอกจากมันจะไม่ช่วยลดความทุกข์แล้วนะมันยังเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเราด้วยเนะี่ปัญหาบางทีมีไม่มากนะแต่ความวิตกกังวลเนี่ยทำให้ปัญหามารุนแรงขึ้นหรือว่าทำให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจนะ กระทั่งค่าตัวตายก็มีเพราะเรื่องเล็กน้อยนั่นการการที่การที่เราเนี่ยถ้าว่าเรารู้สึกเหงาเนี่ยนะไม่ว่าอยู่ในสภาพ้วก็ตามมันเป็นตัวฟ้องนะว่าเรายังฝึกใจไม่ดีพอและขณะเดรรมก็เป็นการเตือนว่า เราต้องมานะมาฝึกใจของเราเนี่ยนะให้ให้เข้มแข็งฝึกใจให้กลับมาเป็นมิตรกับตัวเราให้ได้ฉนะั้นมองในแง่ใความเหงาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะรวทั้งความเบื่อด้วยก็เป็นประโยชน์นะมันกำลังสะท้อนถึงปัญหาว่าเรายังมีจุดอ่อนตรงไหนเรายังฝึกไม่เพียงพอ ไอ้หมออย่างง่ายนี้เนี่ยนะั้นก็ถือว่าเข้ามาเตือนเราเข้ามาสอนเรานะแต่ถึงแม้ไม่ไม่เจอความเหงานะแต่มีอารมณ์อย่างอื่นก็ตามเนี่ยเช่นความท้อแท้ความน้อยเนื้อต่ําใจเนี่ยมันก็เหมือนกันนะมันก็กําลังฟ้องว่าเราเนี่ยไม่รู้จักเป็นนีตรกับตัวเองเพราะว่าไอ้อาการเหล่านี้มันเกิดจากใจนะที่นะ ที่หันมาทรเลากับเรานะหันมาซ้ำเติมเรานะทำกับตัวเหมือนเป็นศัตรนะูและถึงตอนนั้นเนี่ยนะและถ้าว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะถึงแม้เราจะผ่านเหตุการณ์ผ่านปัญหาไปได้เนี่ยก็จะเจอเหตุการณ์ใหม่ๆแล้วก็จะกลับมาสู่ความรู้สึกเดิมๆและถึงเวลาที่เจอปัญหาหนักๆนะเช่น เจ็บป่วยนะเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายเนี่ยถึงตอนนี้นี่นะมันก็จะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ดังนั้นะาการที่เรามานะกลับมาเห็นความสำคัญของการฝึกใจนะเพื่อมาเป็นมิตกัตัวนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นมากทีเดียวนะและถ้าเราสามารถจะทำให้ใจของเราเนี่ยนะเป็นมิตกัตัวเราเองได้นะ อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ท่ามกลางผู้คนหรือว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ที่จริงแล้วเนี่ยนอกจากความความอ่การที่เรามีสมาธิกับงานกับการหรือว่าทำใจใมีสมาธิอยู่กับลมหายใจนะ การทำให้ใจเป็นมีตัวเองทำได้หลายอย่างนะเช่นการสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นนะถ้าเรามีความรู้สึกตัวเวลาทำอะไรนะใจมันจะไม่ไปคิดโน้นคิดนี่นะที่ทำให้รู้สึกเหงาที่ทำให้รู้สึกว้าวุ่นที่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดนะแต่เป็นว่าใจเนี่ยนะมันมันว่างเกินไปนะนะมันไม่มี ไม่มีไม่มีสมาธินะในการที่จะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าไม่มีความสึกตัวนะที่จะทำให้จิตเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันก็เลยปรุงแต่งสารพัดนะการฝึกจิตมันทได้หลายอย่างนะฝึกจิตทำได้หลายอย่างนะ ทำให้จิตเป็นสมาธิมีสมาธิกับลมหายใจเมื่อเรามีสมาธิกับลมหายใจเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้สึกว่าเวเพราะเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนนะเมื่อเราฝึกใจให้มีความสึกตัวอยู่เสมอนะไอความสึกตัวนี่ทำให้สึกโปร่งเบานะไม่มีความหลงมาครอบงาใจนะการที่ใจจะว้าวุ่นนะปล่อยให้กิเลสเข้ามาครอบงา นะปล่อยให้ตัวอัตตาตัวตนเข้ามาก่อกวนนะมันก็ไม่มีช่องที่จะทําอย่างนั้นได้ดนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องใจของเราดีพอเนี่ยเราจะรู้ว่าให้การที่ทําให้ใจเนี่ยกลับมาเป็นมิตรนะกับตัวเราเนี่ยมันมันทำได้หลายวิธีมากเลยนะเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะเพราะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยทําใหเ้เราสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขได้